แล้วก็เป็นไปกับกายกรรมปจีกรรมมโนกราากรมแล้วเป็นไปทั้งการ3อดีตอนาคตปัจจุบันนี่นะอันนี้ต้องให้ได้ด้วยนะแล้วเป็นไประดับชั้นต่ําชั้นกลางชั้นปานนิดเราเอาแบบชั้นปานนิดหรือจะชั้นกลางหรือชั้นต่ำไอ้นี่ต้องฝึกนะต้องต้องฝึกแล้วนั้นรูปแบบตรงนี้จะจะจ ะ, จ ะ, จะต้องมาการค่าครวน <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเอามาต้องดูในรายละเอียด ในรยายละเอียดอีกทีอะไรนะเนี่ยวันได้ได้อันนี้กล่าวตรงนี้ก็ชื่อว่ากล่าวแล้วใครใครจะแสดงตัวอย่างก่อนะใครจะแสดงตัวอย่างก่อน ในกรณีที่จะให้มหากุศลและจิตดวงแรกเกิดเนี่ยยากไหมยากไม่ยากนี่เคยเดี๋ยวกำลังนึกนึกถึงหลักฐานนิดนึงนึกถึงหลักฐานนิดนึง ในกรณีาการการคิดกุศลเนี่ยนะที่จะทําให้กุศลและจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยวิธีคิดวิธีการไข้ควรวนเนี่ยนะอันนี้สําคัญมากเพราะว่าเมื่อเราสามารถที่จะ เ, เข้าใจมุมแห่งการเจริญกุศลเพราะเอามาเตรียมข้อมูลมาให้ดูในการคิดในการไข้ครวนแล้วเนี่ยเพราะเอิญก็ลืมหยิบมาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงนี่ย ในนี้ไม่ทราบว่ามีเพราะไม่ได้ดูนานแล้วเนี่ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าวางหลักมุมแห่งการไครควณก็ว่าไม่เป็นไรตรงนี้ฉะนั้นเราก็ดูแบบคร่าวๆตรงนี้กันแล้วกันนะว่าในกรณีแห่งการคิดกุศลเนี่ยนะในท้านของมหากุศลญาณสัมปยศและพิจิเป็นอสังขาริกที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะ แล้วก็เป็นสมานัตด้วยก็เป็นมหากุศลนต์ตันี้ดวงแรกแล้วดวงแรกคูนด้วยอารมณ์หกเนาะแล้วก็เป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มโนกรรมแล้วเอาอธิบดีใส่ไปด้วยนะฉันทวิริยะจิตตาและปัญญานะฉันทวิริยะจิตตาปัญญาในนั้นก็คือรวมสัตตินีวิริยินีสติิตนีสมาตินทีแล้วก็ปัญญินทรีด้วยนั่นเองนะรวมตรงนั้นนั่นแหละ สรุปประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าทำความเข้าใจก่อนว่าในขณะที่เราจเจริญกุศลเนี่ยนะเวลาเราจเจริญกุศลที่บอกว่าที่จะเป็นไปกันในด้านของศรัทธาเชันทาเนี่ยชันทาคือความพอใจเนี่ยนะมาจะกคาว่าอิทธิปาโทอิทธิบาทคือชันท่าวิรยยิยติปาโทก็อิทธิบาทคือวิริยะจิตติปาโทก็อิทธิบาทคือจิต แล้วก็วิมังสิทธิปาโทก็ออิทธิบาทคือปัญญาชันท้าก็ความพอใจต้องการในการให้เกิดขึ้นต้องการให้ถึงต้องการให้สมบูรณ์ต้องการให้สำเร็จชันท้าอย่างแรงกล้าชันท้าอย่างแรงกล้าก็หมายถึงว่าไม่มีผู้ที่สามารถจะรบกวนฉันท้าในสันดานภายในและก็ภายนอกได้ชันท้าที่สามารถทาให้เกิดขึ้นได้อย่า ง, างแข็งแรงเนี่ยนะ เออถ้าหากว่าเราดูอย่างนี้บอกว่ามีพระชันทะของพระเจ้าธรรมโสสนทาที่ละทิ้งราชสมบัติว่าการเป็นพระราชาปกครองเมืองพระณาศีที่ไม่ได้ยินไม่ได้ไม่ได้ฟังพระธรรมแม้เพียงคาถาบาดเดียวเนี่ยบทเดียวนยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากมีประโยชน์อะไรแล้วเนี่ยพอคิดอย่างนี้แล้วก็ออกจากเมืองทิ้งราชบัลลังก์ ไปหาผู้ที่สามารถแสดงธรรมของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลักษณะอย่างเงี้ยนะอันนี้ใช่ลักษณะเี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างพระเจ้าพิมพิสารท่านไม่จัดเพราะต้องรอยพระเจ้าเปหาเนียนั้นฉันทาเนี้ยนะที่บวกกับปัญญายัางไม่แรงถ้าแรงแปลว่าจะต้องทิ้งเลยอย่างเงี้ยนะทิ้ง อ, อันนั้นแปลว่าอันนั้นแบบขั้นรุนแรงนะแบบขั้นรุนแรงทวิริยะ ที่เป็นอิธิบาทแบบรุนแรงจริงๆก็คือเป็นวิริยะที่พร้อมได้องศีปการก็คือว่าบำเพ็ญที่บอกว่าเนื้อละเลือดเป็นต้นเหล่านั้นะ น, ะนะอันนั้นก็เป็นวิริยะที่แรงกล้าไปตรงนี้ถ้าเป็นจิตตะนี่ก็คือมุ่งมั่นในการที่จะให้บรรลุเป้าหมายน่ น, นะวัตถุประสงค์น่นะถ้าได้รับความสุขที่เกิดจากราบสกาละ ไม่มีจิตหรือมีความสนใจในสิ่งเหล่านั้นเลยแต่จิตเนี่ยมุ่งมั่นในการที่จะทำโลกุตระสมบัติเนี่ยนะหรือโลกุตระมรดกของพระผู้มีพระเจ้าให้เกิดขึ้นในกระแสของของจิตใจเนี่ยนะให้ได้ให้ได้สัมผัสให้ได้นั่นเป็นจิตตะทวิมังสาปัญญาที่สามารถที่จะเห็นอะไรเห็นอบายทุกเห็นสังสารทุกปัญญาที่สามารถเห็นอนิสง ของการที่ออกจากวัะเนี่ยนะปัญญาที่แทงตลอดได้อย่างกว้างขวางในสภาวธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วก็สมบูรณ์เนี่ยนะคนที่มีปัญญาระดับวิมังสิทธิบาทที่มีความระดับสูงเนี่ยนะก็คือว่าจะไม่ติดรถของรูปเสียงจิตรถสัมผัสและธรรมอารมณ์ที่เป็นโลกยะฮะอ่าใช่ใช่เป็นตัวจิตเป็นความ ท่านใช้คําว่าความมุ่งมั่นนะั่ะความมุ่งมั่นความจดจอ่อความจดจอ่อที่จริงถ้าพูดก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรวมกุศลจิตุบาทนั่นแหละแต่ตอนนั้นก็ก็คือตัวจิตมันเป็นใหญ่เป็นประธานไปตรงนี้นะนั่นคือกลุ่มในด้านของของอิทธิบาทมาเทียบยังไงจริงๆก็คือว่าถ้าสรุปลงก็คือว่าลงในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นแหละตรงนี้นะ ถ้าเราดูอย่างนี้ว่าคนที่มีฉันทิฏฐิบาศแล้วก็มีสัตธินรีที่แข็งกล้านั่นเองกลุ่มเหล่านี้เวลาเขาให้ทานเนี่ยเขาจะสามารถไม่ใช่เป็นปกติศรัทธาและเป็นระดับภาวนาแล้วภาวนาศรัทธาแล้วหรือเป็นระดับที่ว่าฉันทิฏฐิบาศเนี่ยนะเป็นไปในลักษณะที่ว่าศรัทธาที่เกิดกับทานศีลภาวนาที่ที่จริงๆอ่ะไม่ใช่ศรัทธา ศรัทธาที่เกิดในทานที่ปลอมๆศีลปลอมๆภาวนาปลอมๆไม่ใช่เลยอะไรคือปลอมอะไรคือปลอมอะไรคือแท้ถ้าหากว่าศรัทธาที่เป็นไปในทานเนะฉันทาที่เป็นไปในทานนะน ท, ท, นน ท, นนะที่เป็นไปในรักเนี่ยังยังหมกมุ่นกับตัณหาอยู่อันนี้มีตัณหาแวดล้อมอยู่อันนี้ถือว่ายัางปลอมอยู่นะยังปลอมอยู่มันไม่สามารถที่จะจะออกจาก จากตัณหาได้ในขณะที่ให้ใช่ไหมก็คือมีส่วนแห่งตัณหาเกี่ยวข้องในการที่ปรารบการให้ทานอะอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้แปลว่าแปลว่าทานอกุศลเนะี่ยไม่ได้มุ่งเน้นในการไปทําลายตัวโลภะใช่ไหมเพราะขับเน้นจริงๆทานกุศลเจตนาคือเนี่ยมหากุศลถ้าเราดูในชั้นของอารัมณนะปัจจัยนะมหากุศลจักไม่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ ใช่ไหมที่เป็นกาที่เป็นโลกียะเลยที่เป็นกาโมคุณเลยฉะนั้นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทำอารมณ์ที่เป็นกามเนี่ยเป็นวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยมหากุุลของใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นเขาจักไม่เป็นอา ร, รมนาที่พอดีเลยไม่เป็นอา ร, รมณ์นูปนิสยะด้วยไม่เป็นอารมณ์ที่หนักน่วงน่าใส่ใจอย่างยิ่งด้วยใช่ไหม กุศลจะเป็นแค่อารมณะปัจจัยธรรมดาเป็นอารมณะปัจจัยธรรมดาแค่นั้นเองฉะนั้นเราบอกว่าเรายังเป็นผู้ดูชนเนี่ยผู้ดูชนก็เป็นไปใช่ไหมแต่เป้าหมายในการเจริญกุศลจริ ง, รงๆเขาต้องการให้กุศลนี้เกิดใช่ไหมต้องการกุศลตรงนี้เกิดฉะนั้นกุศลเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยอะไรมากุศลญาณสำยุทธ์เนี่ยต้องอาศัยโยนิโสมและสิการด้วยใช่ เป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ของปัญญาเนี่ยเหตุใกล้ของกุศลดวงแรกเนี่ยมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมมีอะไรบ้างอะเหตุใกล้ของปัญญานี่มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างโยนิโสแล้วแล้วก็อะไรอีกสมาธิปทัฏฐานังก็มีใช่ไหมอันนั้นท่านขับเน้นวิปัสสนาปัญญาด้วย สีเลปฏิถายานโรสปัญโยจิตตังปัญญัจ่าพาวยังอาตาปีนิปโกภิกขู u, นะอันนั้นเอาสมาธินั้นใช่ไหมเอาเหตุสามด้วยบุคคลที่ถือปฏิสนธิโดยไตรเหตุจกับปฏิสนธิยังไงเหตุสามความไม่โลภความไม่โกรธปัญญานั้นก็เป็นเหตุก้างของปัญญาได้ด้วยใช่ไหมคนที่เกิดมาพร้อมด้วยเหตุสามแล้วเนี่ยจเจริญศีลอบรมจิตแล้วนะ่ะใช่ไหมตั้งมั่นในศีลในภูมิสีจะอบรมจิตจเจริญปัญญา ปัญญาในที่นั้นคือวิปัสนาปัญญาแหละนั่นแหละจะถางชัดคือตัณหาเป็นต้นได้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาทัศกะไว้ได้วยนะไวยปัญญาอย่างพวกเราอยู่ในไวยปัญญาหมตรงนี้นะก็คือว่าน้อมที่จะให้กุศลดวงแรกนั่นแหละเกิดขึ้นทีนี้ก็ปรารบว่ามหากุศลดังกล่าวนั้นปรากฏอย่างไร ปรากฏอย่างไรใช่ไหมก็คือว่าจะให้มาหากุศลดวงแรกเนี่ยนะที่เป็นสมนัตเป็นอสังขาริกเนี่ยนะเป็นญาณะสัมปยุทธในเยวกรอบด้วยปัญญาเนี่ยนะทีนี้มาหากุศลดวงแรกดังกล่าวแล้วว่าเป็นไปกับการปารลบลูปปรลบเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือทำอารมณ์ได้หมดเลยแล้วแต่นะที่จะตั้งประเด็นในการเรียนี้แห่งการนะั้นถ้านใน ห, หลักของชั้นของผู้อุปถัมภ์อาจารย์ท่านก็จะตั้งให้ดูแบบย่อๆย่อๆย่อๆไว้ เราท่านทั้งหลายก็ต้องเอาเอามุมเห็นที่การท่านตั้งให้เอามาวิจัยต่อแล้วก็เป็นไปกับกายกรรมยังไงเป็นไปกับวิจิกรรมอย่างไรเป็นไปกับโนกรรมอย่างไรและที่เป็นไปกับทานกุศลอย่างไรแล้วก็เป็นไปกับศีลกุศลอย่างไรแล้วก็สรุปลงท้ายด้วยเป็นไปด้วยภาวนากุศลอย่างไรเมื่อวานนี้ว่าไปครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนิดหนึ่งอ้าวตะรดาที่การบ้านทำมาอ่านหน่อยเพราะเห็นว่าทำมาเนี่ยอยากฟัง มีไหนอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ก็ได้ที่จริงเจ้าตัวต้องอ่านนะนะอยากอยากไม่ใช่ทรงผิดคนมั้งว่ามาต้องการฟังอ๋อเพรหาไม่เจอเลยอ่า ทอยังไงไม่เคยคิดอย่างนี้สักทีเออก็เฉยอยากวังเลยตื่นเต้นเงินอ่ อาว่าบามาอ่าอ่อออืออาไปต่อที หมดแล้อ๋อ <watering> มีแค่นี้เองอใช่แต่ว่านั่นแหละอยากพวกให้พูดกุศลออกมาไงก็ไม่เป็นไร อืมอืมอืมอ๋อที่ยังเรื่อง เออเอาว่าต่อจริงตรงนั้ น, นเพราะว่าจริงๆในการในการในการที่เจริญกุศลเนี่ยกรณีที่จิตเราในการใข้ ค, ควรหรือพิจารณาหรือวิจัยเนี่ยสิ่งที่ตนเองตนเองได้เนี่ยก็คือว่าจิตมันจะนอบน้อมใช่ไหมมันจะระลึกกุศลแล้วมันจะตั้งมั่นขึ้น ตรงนั้นก็นั่นแหละคือหลักหลักที่มันมันทำให้เกิดนะเกิดทำให้ให้ได้ตรงนั้นเอาตรงนี้ก็ดูนะดูที่ดูตามตามตามตามหลักฐานที่ท่านกล่าวไว้นะแล้วก็เอามาพิจารณาวิจัยต่อกันเพื่อให้แล้วมีใครใข ค, ครวรหรือว่าเอามาพิจารณาเกี่ยวเรื่องทางกุศล อาพิจารณ า, างไงมีใครบ้างไหมเอาต่อดูแต่ <c oughs> อปกติอที่อธิบายให้เพื่อนๆฟังอ่าที่กรณีทางด้ ว่าว่าี่ะก็มีระยะที่ตั้งแต่ ก็เสร็จแล้วก็มาทำอีี่เลยก็ that. Uh -huh. การให้ที่เป็นวัตดิบารมณ์มีความสาคัญมากข้อการสั่งสมไปเรื่อยๆจะเป็นองคิที่แท้อกใจให้เป็นทางรักษาสารน้แล้วก็ บทที่เจ็ดบทที่สองนะครับบทที่วันสองสอสองอาทิตย์บจบทก็คือปมัิศมีบทนวยอย่งบทไ้ไปอยู่ที่นี่าจะัดอักิ์ศรีแลบทอยู่ที่นั่น ม้วาน่อวดแล้วกดแล้วไปอยู่กรจายตามวันบววันที่เท่าไหร่้อเ้าปวที่ัอีกเจ็ดสิบเก้ายการสาบวแล้วไปอยู่โรงพยานปด้ กลไกล 4วันไม่ได้น้อยไปยว่าสามวันมาซ่าไต่ปันแต่ปันช่วงๆหนก็ติดต่อกับชีก็ชีก็พาไปก็ได้ที่นั้ต้องชรุงช่วงๆคือมันาแบบเขาไ่ประหารเลยความปันมปลี่ย ไม่เป็นไรไปนู่นก็ก็มีต้าอยู่ดูแลนีอไม่ยากเลยเนะี่เพราะว่าถ้าไปเร็วๆใ น, น็นดีหน่อยเดียวเพราะว่าอเออผมผมไม่ทราบว่ามันอยู่ที่เราขอ ช่วง3เด็ก1แล้วก็บอกว่าจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขบอกไปใช่ไหมก็ให้ให้ก็ให้ให้เมชีเรื่องให้ใครก็พาไปนะ s o m e b o d t <laughs> เออตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ทางโยมกิจการได้ยกตัวอย่างนะในเรื่องของกุศลเริ่มต้นจากทานเนะีเจตนาทานฉะนั้นตรงนี้ก็เลยมาขับเน้นว่าเราต้องการทําความเข้าใจในบุญปิริยาวัตถุนะนะงั้เหรอ อ่าเจิญบ่อนาเริเนีอารงั้ น, น, น, น, น, นตรงนี้ก็คือต้องการขับเน้นตรงนี้ให้ยกตัวอย่างว่ามหากุศลนี่ยที่เป็นมหากุศเน่ยเพราะว่าผลของเขานั่นมีมากมีผลมากมีอนิสงส์มากนะ แต่ถ้าเป็นระดับที่ว่าจะต้องปราลกหรือต้องทำให้เกิดขึ้นในเนื้อในของคำว่ากุศลกุศลเนี่ยคำาเนี่ยมันมีอัตถะความหมายอยู่ในนั้นน่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วแต่เราจะเอาสภาวธรรมเหล่าใดเข้าไปปรุงไปปรุงแต่งโดยเฉพาะว่าในชั้นของเจตนาเนี่ยนะตัวที่เราไปจัดแจงเนี่ยสัมบยุญตรธรรมเพราะคำว่าเจตนาทานเนี่ยา ท, ท่านถึงบอกไว้ไงบอกว่า การฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนั้นเรียกว่าทานเนี่ยก็เริ่มต้นจากทานศีลและภาวนาเป็นต้นฉะนั้นในชั้นของทานนะกุศลเป็นต้นเหล่านี้โดยส่วนใหญ่คนทั่วไปทั้งที่ศึกษาและไม่ศึกษาบางครั้งก็จะอาจจะลืมตัวเรียนได้วซ้ำไปที่ศึกษาแล้วเนี่ยก็มักจะลืมว่าจริงๆแล้วตัวทานนกกุศลจริงๆเนี่ยท่านขับเน้นตัวนามธรรมเอา am am นามธรรมนั้นมาเป็นประธาน แต่เอาตัววัตถุทานนั้นนะ่ะนะมาเป็นที่ตั้งของนามธรรมเสียก็แปลว่าเอามาเป็นอารามณะปัจจัยแก่นามธรรมนั่นเองเอามาเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่นามธรรมเพื่อให้เป็นปัจจัยที่ทำให้นามธรรมนั้นนะ่ะมีการพัฒนามีการฝึกฝนมีการจัดแจงสภาวธรรมนั้นให้เกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นใช่ไมจากระดับที่กุศลค่อนข้างจะอ่อนแอเนี่ย แล้วก็ให้พัฒนาไปสู่ระดับกลางและยึดระดับชั้นสูงสุดที่เขาเรียกปราณีตหลายๆท่านก็มาจากกุศลที่อ่อนแอเพราะเป็นกุศลที่ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นกุศลที่ได้มาจากการตามกันประเพณีใช่ไหม mm hmm. พ่อแม่พาไปให้ทานพ่อแม่พาไป ท, ทําบุญทั้งหลายอันนี้ก็คิดว่าทําบุญก็โอเคได้บุญแล้วได้บุญแล้วคือได้ตรงไหนโอ้สบายใจวันนี้ไปทาบุญแล้วแค่นั้นเอง ใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าจริงๆแล้วความสบายใจมันเป็นยังไงเพราะความสบายใจความดีใจที่มันเป็นโลภะก็มีความดีใจที่เป็นกุศลก็มีใช่ไหมใช่ทีนี้ความดีใจที่เป็นโลภะมันก็เป็นความดีใจที่ยึดติดมันตามมาด้วยตัณหามันก็ยึดติดแล้วมันก็หวงความดีใจความสบายใจความเพลิดเพลินอันนั้นอันนั้นมันไม่เรียกว่ากุศลก็เป็นความปรีติความพื้มใจเหมือนกัน กุศลในที่นี้เป็นกุศลที่เป็นความฉลาดคิดด้วยใช่ไหมถ้าเรามองนี้ก็จะเห็นแล้วว่ากุศลที่เป็นไปกับปัญญาตรงนี้ท่านถึงบอกว่าในหลักในชั้นคําสอนเขาบอกว่าที่ใช้คําว่าในสัพทบนิยมิตาที่ศัพท์ที่บอกว่าไม่ว่าไม่ว่าจะพบสีอะไรนีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือทำอารมณ์ใดๆเมื่อจะพบเจออารมณ์ใดๆต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็คือตั้งอัธยาศัยไว้ว่าจะให้กุศลจะให้กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นการตั้งอัธยาศัยไว้ในลักษณะอย่างนี้แปลว่าเป็นการตั้งจิตไว้แล้วเตรียมจิตไว้แล้วการเตรียมจิตการตั้งจิตไว้ในลักษณะนี้เพื่ออะไร <c oughs> เพื่อต้องการให้กุศล <c oughs> กุศลนั้นเกิดขึ้นประการต่อมาก็คือว่าปรินนามิตานี่ตรงเนี้อันนี้นอบจิต การน้อมจิตเนี่ยแปลว่าเพราะอะไรธรรมชาติของจิตใจนั้นน่ะมากใหญ่ ย, ยินดียินดีสิ่งที่ไม่ใช่เป็นบุญอยู่แล้วการน้อมจิตดัดจิตให้เป็นไปในทางกุศลแล้วก็ปฏิเสธบาปปฏิเสธบาปปฏิเสธความโลภความโกรธแล้วปฏิเสธความหลงพวกอุทธจะพวกวิจิกิจฉาเนี่ยทั้งหลายความไม่แน่ใจในการกาหนดแน่ลงไปในการที่จะเจริญกุศล จะเจริญกุศลทั้งทีก็ยังลังเลลังเลลังเลอย่างเงี้ยลักษณะนี้ก็เรียกวิจิกิจฉามีกําลังวิจิกิจฉามีธรรมชาติที่หมุนรอบด้านไม่ค่อยกล้าตัดสินใจในเรื่องของความดีแต่ถ้าเรื่องความไม่ดีทั้งหลายไม่ค่อยลังเลใจเลยเนี่ยนะแต่ถ้าเรื่องของการจะกําหนดในการกระทําความดีก็ยังมีท่ามีมีทางอะไรค่อนข้างเยอะมากเขาเรียกว่าไม่กําหนดแน่ลงไปเลยแต่าเรียกจิตไม่มุ่งมั่นความแข็งแกร่งของจิตนะถูกทําลายหมดแล้ว ไดสภาพแวดล้อมที่เสียเครือเสียไม่มีปรโตโคสะปัจจัยของปัญญาก็ไปมีปรตโตโคสะปัจจัยของบาปเป็นส่วนใหญ่บาปมันก็มีกําลังดิใช่ไหมพวกอุทธจักก็มีกําลังวิจิกิจฉาก็มีกําลังโมโมหะจิตเนี่ยจิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากมันต้มีกําลังขึ้นสภาพของปัญญาโดยเฉพาะมหากุสนี่ไม่ค่อยได้โอกาสฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องทําความเข้าใจว่ามหากุสนั่งกล่าวเนี่ย เกิดขึ้นอย่างไรตรงนี้ก็บอกว่าประการต่อมาถึงนเนี่ยนะว่าพอปฏิเสธบาปประการที่3ก็คือว่าการฝึกจิตให้คุ้นเคยการฝึกจิตให้คุ้นเคยเนี่ยสมุทายาระเนี่ยฝึกจิตให้คุ้นเคยให้คุ้นเคยกับกุศลเพราะว่าอะไรธรรมชาติของภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกะขะตาชีวิตินรีมนัสิการมิตกวิจารในที่มกวิริยาปีติฉันทะเนี่ย อัญญสมานะเนี่ยไม่ได้รับการฝึกจากศรัทธาเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมศรัทธาสติหิริเนี่ยธรรมชาติของกุศลและธรรมทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถจะเอาเจตนาถ้าหากมาอยู่ในบุญมาอยู่ในมหากุศลแล้วเนี่ยเจตนาจะยิ่งใหญ่มากเพราะจะปรุงแต่งปรุงแต่งจิตที่เป็นไปกับกุศลตลอดไม่ว่าจะคิดในเรื่องของสีในเรื่องของเสียงในเรื่องของกลิ่น ในเรื่องของรถในเรื่องของสัมผัสเย็นร้อนในเรื่องของธรรมารมณ์การคิดนั้นก็เป็นที่ตั้งของบุญได้หมดเลยเป็นที่ตั้งของบุญได้หมดบางคนเนี่ยต้องใช้คำว่าอาภัพบุญนะคือคิดบุญได้ไม่ยาวคิดแป๊บหมดไปแล้วไปได้ทาท่าได้บุญอยู่แป๊บเดียวนะเพราะกิจบางครั้งกิจกรรมบุญนะั้นยังไม่ทันจบเลยบาปบาปก็แทรกไประยะร ะ, ะ, ะยะเลยเออเนอาภัพจริงนะ เคยเป็นไหมสมัยก่อนเอ๊ะทำไมกิจกรรมของบุญยังไม่ทันเสร็จเลยเนี่ยเราก็ให้บาปอะไรทมาแทรกทั้งเครียดทั้งโกรธทั้งหมดก็ใช่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแหละคือสภาพจิตใจที่โลเลอ่อนไหวง่ายมากแม้กระทั่งอยู่ในกิจกรรมงานบุญทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ในบุญได้และทุกคนในยุคนี้สมัยนี้ด้วยแล้วเนี่ยทั้งปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะ ทั้งๆ ท, ที่ในกิจกรรมแห่งการกำลังเจริญบุญเนี่ยอะไรกันมั่วไปหมดแล้วทั้งกรณีแห่งการ